ขอความสุขความเจริญที่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องพระสุภูติอุสุพระสุภูติสูตรต่ว่าย้อนไปเล่าประวัติแม่ดีตชาติของท่านว่าได้สร้างสมบ ร, ปปรมบารมีมาเป็นอย่างไร เพื่อท่านผู้ฟังดูเป็นตัวอย่างนะฮะที่จริงก็คำภีคนละคนะเรื่องกันละแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเทระคาถาแต่ว่าสุภูติสูตนั้นอยู่ในเรื่องอุทานเป็นพระไตรปิฎกขุตการนิกายด้วยกันแต่คนอาเล่มพระไตรปิฎกกันแต่ข้อความที่นํามาเล่านี่เป็นเป็นเรื่องที่พระอราจารย์อาจารย์ท่านวรวบรวมได้เพียงไว้ ในพระบาลีในพระสูตรเนี่ยไม่ได้ให้ความพิสดารอะไรไว้มากก็พูดเฉพาะคาถามีท่ทางกล่าวแในอภิธานก็ดีในธีรคถ า, าก็ดีก็มีเฉพาะคาถาคาถาก็เป็นข้อความสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่ท่านจะกล่าวทางร่างทัดก็เล่าเรืาวต่างๆก็ค่อนข้างวิงจิตร พอสมควรทำนองคล้ายๆกับเวชันดอนเวสันดอ น, ว น, ดอนพวกที่เ็าเรียกคาถาพันธ์ทั้งหมดอยู่ในประเศยศพิศโแต่รเราเห็นว่าเรื่องเป็นอันมากที่มันเป็นเป็นประวัติศาสตร์เล่าไม่ใช่เป็นเรื่องของสุภาษิตหรือองค์ธรรมอะไรเลาก็พิศดานพอสมควรเพราะถ้า แปลมาแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นสิบสามกันเนี่ยทแต่ว่าท่านแปลค่อนข้างแปลร้รอยเกือบแปลพิสดารไปนหน่อยไม่ใช่คำต่อคำหรือว่าไม่ใช่ถึงกังเก็บความเพราะท่านวันก่อนก็พูดถึงว่าพวกพระอราหันต์ทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติด้วยกัน ดยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ทานที่บริจาคมันเป็นบริจาคแก่ท่านที่เข้าในโรสสมบัติคือมีผลเมียนในสง์มากก็ปรารถนาจะเสริมบา ร, รมีของพวกลูกศิธิ์ของท่านนันทาดาบทเาเรียกว่าคล้ายๆกับบ่มนะบ่มอินทรีย์ให้สูงขึ้นแล้วก็พวกอันเตวสิกย์ของท่านนันทาดาบท ก็บริโภคผลไม้ในป่าถึงเวลาก็ไปเที่ยวทิขาจารย์เวลาที่เหลือก็ยืนประคองมือพนมต่อพระพุทธเจา้าแสดงถึงพลังศรัทธาเรื่มใสเนี่ยโดดเด่นมากพระเจ้าก็ออกจากนิโรธสมาบัติพร้อมด้วยพระสงฆ์ แล้วรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้รับเอตตะคะคือโดดเด่นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสคือพจริงพระหรันท่านไม่มีกิเลสแต่ว่าองค์นี้เจ ะ, ะเมียด์ละใหม่ลึกซึ้งคือไปละได้ละเอียดจนถึงกาวาัฒนาคือพระหันตัวไปท่านจะละวัสนาไม่ได้เป็นว่าแต่พระพุทธเจ้า ในพระรูเนี้ยทันละได้ละเอียดแล้วก็เป็นผู้ควรแก่ทักษิณันยะบุคคลคือควรแก่การการรับทักษิณไนทักษิณ า, าทานที่ชาวบ้านบริจาคถวายหมายความควรและสมบัติเหล่านี้ก็คือ ท, ที่เราสวด น, นะสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนสามดีจิตปฏิปฏันโน ท่านก็เป็นอาหุนโยปาหุนโยทักคิดนโยนะควรแก่การถวายทักขินาทานแล้วก็รับสั่งให้อนุโมทนาด้วยผลของการถวายดอกไม้ก้านฉัดไม้ถวายผลไม้อะไรต่างๆทั้งหมดก็ท่านบอกว่าภิกษุนั้น เหมือนกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ราบใหญ่ในสนักของพระเจ้าจากักรพรรดิเขาจะลือมาพระ จ, จำนวนมหาสารแล้วก็มีองค์หนึ่งเนี่ยได้รับมอบหมายทำหน้าที่แทนพ ร, พระพุทธเจ้านะฮะไม่ใช่ธรรมดาแล้วหน้าที่แทนในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ก็ เป็นความเป็นความภาคภูมิใจของคนแต่พอดีท่านท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ไม่ไปเดียวิีใจอะไรหรอกแต่ว่ามีปีจริระมโมที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้พิจารณาถึงพระพุทธพจน์ต่างๆแล้วก็อานุธนนาในที่สุดของเทศนาเนี่ยพระาศาสดาก็ทรงแสดงธรรมะแก่ นนันทาดาบทแล้วก็บริวารจนบริวารทั้งหมดเนี่ยมันรูปมรรคผลเป็นพระโสดาบันเอไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ น, นันทาดาบทก็เกิดสภาภาษาทคือท่านท่านเกิดเกิดซึ้งใจในภิสุขที่ได้ฐานะตำแหน่งตัวเนี้ยได้ฐานะตาแหน่งตัวเนี้ยแล้วท่านก็ซึ้งใจมันก็เหมือนกับท่านสุมเมธดาบุต ที่เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพุทธบริวารจำนวนมาสัมซึ่งน่ายิ่งคือท่านที่จะคิดจะบวชอไมคิดบวชคิดจะเป็นเลยคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะงั้นท่านสุภูตไม่ใช่ท่านสุภติคือท่านนั้นทานาบทก็มีลักษณะอย่างนั้นคืออยากจะเป็นอย่างพิสูรรูปนี้ย เลยก็ใจก็คิดฟูงแบบระสาริบุตรพระโมคคัลลานะตอนหมอกเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมโดยบริวารเนี่ยคือท่านขึ่งท่านตื่นกะลึงต่อพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงแล้วท่านคิดออกไปร้อยในบรรในเน่ยใจไม่สมบุบบริวาร250หบรรลุมพรผลเป็นพระหันสองท่านยังไม่ได้บรรลุ พโมกขาลามนะต่อมาอีกเจ็ดวันบวชแล้วได้เจ็ดวันก็บรรลุพระสารีบุตรทั้งสิบห้าวันถ้าบรรลุในตอนตอนบ่ายๆของวันมาคบูชานะวันที่พระเจ้าทรงสดแสดงอวาตารปฏิโมกข์เราทาให้เรารู้ใน่วงเวลาว่าพระเจ้าทรงสดแสดงทบทมัทเธสนาเมื่อไหร่สดแสดงอวาตารปฏิโมกข์เมื่อไรนะ่แล้วก็เห็นเป็นเส้นทางพุทธดําเนิน ของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางที่เดินทางนะจากพุทธคยามาสู่พาราณสีจากพาราณสีก็ไปพบกับพัทธวัคีแล้วก็ไม่ใช่ไปพบกับัทธวัคีคืออยู่ที่สาวัตถีภารณสีนั่นแหละแล้วก็ได้ไปสาวกอรหันตอนนั้น60สบรูปแล้วก็ส่งไปเผยแผ่ศาสนา ดัวนั้นก็เริ่มเสด็จุูธดำเนินเพื่อจะไปอย่างขยาศีษะไปือรู้เวลาเสนานนะิคมเพื่อแสดงธรรมรู้เวลาเสนานิคมก็ใกล้ที่จะสรุปจะแสดงอุะเจ้าก็กลับทางเดิมแล้วก็บนเส้นทางเนี่ยก็พบ ก, กับพัตวัคี แล้วก็เทศสอนทรมานท่านรุปลากระสัะแล้วก็ไปนาทีกระสับะเราเห็นว่าไปตามแม่น้ำเ น, นรันชราไปเรื่อยแล้วเราแสดงอธิตะไปจะสู่ที่ขยาศีสะใกล้แม่น้ําขยาก็ได้พระหันหนึ่งพันแล้วก็เส้นทางก็ลากขึ้นไปที่กรุงราชพฤกษ์จะแสดงโปรดระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ไปประทับที่พระเวรุวันแล้วก็พวกเป็สารีบุตรพระโมกัลลานะมาเฝ้า พระเจ้าก็ส่งแสดงถึงสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระจนท่านเหล่านั้นบรรลุ ม, มาผลเป็นพรทหารแล้วก็ประทับอยู่ที่ประเวรุวันนั่นเองแต่ว่าตอนที่ท่านทั้งสองบรรลุนลี่พระเจ้าก็ไปพบทั้งคู่พระเลิงพระเจ้าไปหาเององค์หนึ่งเนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปสารีบุตรที่ตามเสด็จไป ไปถวายพัดอยู่เบื้องพระปิชาดางคือข้างหลังพระพุทธเจ้าคือถ้าเรามองนะเรามองว่าสัสดากับสาวกนี่อายุก็คงจะไม่ห่างกันยังเข้าใจภาษาดิบุตรน่าจะแก่กว่าได้ทั้งไปแต่ว่าท่านก็ไปจะบอกไว้มันเป็นภาพที่ลองเลืดดูสวยงามมากนะอาจารย์ก็ยังหนุ่มศา ส, สดาก็ยังหนุ่มสาวกก็ยังหนุ่มเป็นพระหันทั้งคู่เป็นภาพที่น่าวระทับใจ ก็พวกเหล่านั้นก็ขอบวชพระเจ้าพระพุทธเจ้าสมามปะปฐมมุตระก็ส่งประทานพุทธานุญาตว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดรรมรดกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดก็ด้วยพระพุทธธรรมหลักอย่างเนี้มันเป็นเรื่องบารามีนะฮะคือคือตรงนี้ไม่ใช่ว่าพูดกับใครได้ ภุมหลังของท่านเหล่านี้จะต้องเคยถวายภาตรายจีวรมาในอดีตชาติแสดงว่าบุญเนี่ยมันอยู่ภายในจิตเราบุญที่เกิดขึ้นจากถวายไายจีวรเนี่ยรอปัจจัยรอเหตุปัจจัยสะสมรอเหตุปัจจัยมาถึงจุดหนึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระอระหันต์หรือแม้แต่พระรนยะบุคคลเนี่ยพอผู้จ้รับสั่งจบ ข้าชิปเนี่ยลอยมาสูงตัวเป็นพระเทร่ไปเลยผมเผลมหายหมดคือคล้ายๆกับอันตรธานไปเลยเพศของชาวบ้านเพศคนดาบดแต่แแอันตรธานหมดก็เหลือเป็นพระเทระที่คล้ายๆกับบดมาแล้วสักหกสิบปีนั้นถ้าดาบดก็นั่นก็อย่างที่บอกว่าคือต้นคิดอย่างนั้นนหละผลุท้ายก็คิดอยากจะเป็นอย่างพิสูรรูปนั้น แลวก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าความดีทั้งหมดที่ทำทำนี้ขอให้เป็นอุปณิสัยปัจจัยที่จะทำให้ท่านได้เป็นเช่นเดียวกับพิกูุรูปนั้นรูปที่ได้ทำอนุโมทนานะต่อพระพักรพระพุทธเจา้ายาวก็ทรงสวดดูก็มองเห็นว่าจะสำเร็จตามที่ต้องการกระรับสั่งว่า ความปรารถนาของท่านจากไม่เปราประโยชน์ในนาโทษการร่วมไปแสนกลับไปแล้วเนี่ยพระเจ้าพนามวโคโดมจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกและความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในสำนักของพระเจ้าพระองค์นั้นดังนั้นก็ทรงแสดงธรรมกถาแล้วก็คล้ายๆกับปลุกเร้าไอ้พลังศรัทธาของท่านให้สูงขึ้น ตอนกลับเนี่กลับทางอากาศหมดนึกดูมันแคกับนกนนหูมหาศาลเนี่ยบินอยู่บนอากาศแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องอยู่ในป่านะ่ในป่าเราคนเราคงจะไม่เคยเห็นกันเพราะว่าถ้าคนเห็นก็ยุ่เหมือนกันนะหรือเเหาะให้คนเห็นนี่ก็ยุ่เหมือนกันอย่างพระพิณโลละพาตราวาชานี่เคยเคยเหาะ เพื่อไปทรม า, าน ร, ราชกษรเสร็จถีเที่ยวบาดไปแขวนท่าพระอารารเอาไว้ยุ่งอะคนก็ขอดูท่านเหาะลลยตามมาจนถึงบัตรเลยให้ทั่วบุญไปหมดก็เป็นเหตุให้พระเจ้าต้องบัญญัติเทวีไทยห้ามแสดงอิทธิปฏิหารแลศาสนาเ น, นั้นพระนั้นพระเจ้าก็นำบริวารทั้งหมดเนี่ยไปสู่พระวิหาร ท่านก็มองตามด้วยความปีติประโมทแล้วก็ก่อนจะตายเนี่ยท่านก็ออกไปแอบไปฟังเทศอยู่เรื่ออยแต่ฟังเทศหลวงพ่อพระเจ้าอยู่เรื่อยพอตายแล้วท่านได้ฌานนะอย่าลืมว่าท่านได้ฌานฌานนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคารุกรรมฝ่ายกุศลทัติภพของมนุษย์นี่ยแน่นอนอยู่สองเรื่องนะฮะคือหมายความว่าบาปสุดๆโรครกบอเวจีแน่นอนเลยไม่ไม่มีอย่างอื่นนะ เราเน้นที่อ น, รรนันตเรกรมห้าราการหรืถ้าเป็นภิกษุหกนะ้เป็นภิกษุอีกหกคือภิกษุเราจะไปเข้ารีดนะ้าถือศาสนาอื่นนี่ไม่ว่ากันไปเลยแต่สึกก่อนอย่าไปเข้าทั้งทง ท, ง ท, งที่ยังเป็นภิกษุอยู่ตอนพศ2521นะฮะตอนที่พบมาประเทศไทยเมื่อวันที่ที่สิบ ปีพฤษภาคม2127ที่จังหวัดหนึ่ ง, างทางภาคเหนือนี่มีการประชุมแสดงความชื่นชมยินดีของชาวคริสต์แล้วก็มีคนหนึ่งเป็นพระไปประกาศความชื่นชมยินดีความศรัทธาลรื่มใสนะขอเปลี่ยนศาสนาเลยก็เป็นบาปกรรมของท่านน่ะ เป็นการจัดฉากขึ้นมาเฉยๆแต่สรุปว่าเป็นวิธีการที่ไม่สุดเลยและที่สำคัญเนี่ยนี่คือคนที่ทำกว่านั้นจะบาปมากๆมันไม่ถึงก็เป็นอัญญสัตวทุเชศ์คือไม่ไม่ถึงกันนะผู้ศาสนาขื่นเพระเาก็นับถือพิษอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าของการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระเองก็ยังมาสมัครเป็นศิษย์ ดูเลนะ่นี้มันเป็ยอะในโลกมนุษย์นี่ก็มารวิวายงไงนะทีนี้ต่อมาท่านก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกด้วยผลของของชานก็นานอนะ่ะตอนเนี้ยอยู่พักอยู่ในพรหมโลกเท่นานแล้วก็จิตใจจากพรหมโลกใจมันโน้มเอียงมาทางบวชไม่คิดของเรือนบวชต่อกันเลยห้าร้อยชาติบวชต่อกันตลอด เพรท่านก็เรียกว่าเดวมนุษยเสสุสังสารโตท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาขบมนุษย์ตอนเป็นเทวดาไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าตอนมนุษย์ก็บวชทุกทีในการของพระกัสสปะสมมาสมพุทัยเจ้าออกบวชเป็นภิกษุเลยฮะบวชในศาสนาของพระกัสสปะสมมาสมพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญทุโดงเขวัตอย่างเคร่งครัดเพราะในตรงนี้ท่านท่าน พอจากนั้นก็ไปไปไปองค์เกิดเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดึในเทวโลกระดับกามาพรจรสวรรค์ชั้นดาวดึงดึก็เป็นสวรรค์ชั้นที่สองนะแล้วก็เรื่องเนี้ท่านมาเล่าไว้ในอภิธานก็เรื่องยาวหน่อยนะคือสรุปสรุปประเด็นง่ายๆว่ า, าเล่า ว, ว่า ในที่ไม่ไกลจากภูเขาหินมะวันมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อนิสพะเราได้สร้างสมไว้อย่างดีที่ภูเขานิสพะนั้นแล้วก็สร้างบนันทสลาไว้ในการนั้นเราได้เป็นฉดิตมีนามว่าโคชิยะเดทเรื่งเรืองผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ที่ภูเขานิสพะการนั้นเราไม่ได้พกผลไม้เง้าวมันและใบไม้เราอาศัยใบไม้เป็นต้นที่เกิดเองและหล่นเองเลี้ยงชีวิตในการนั้นเราไม่ยังอาชีพให้กำเริบ แม้จะสละชีวิตก็ยังจิตของตนให้ยินดีเว้นการสแสวงหาที่ไม่สมควรพวกนี้ถือสุโดงแบบแปลกแลบะบแปลกอย่างที่เคยเล่าเรื่องท่านอคติลาบทที่กินไม้ใบหมากเม่านะคือหมายความท่านอธิษฐานนะท่านอธิษฐานว่าถ้าท่นจะกินใบหมากเม่าแล้วก็วันละหนึ่งลิตราจักระก็ปลอมมาเป็นพรา ม, มา มาขอหมากเมาท่้นก็ตักให้ท่นก็ให้ให้แล้วท่านก็ไม่ได้กินไม่กินสามวันต่อกันว่าแนวรูสีเนี่ยนแนบวบแปลกๆนะกินเปลือกไม้กินอะไรแต่างๆแปลกก็ยังนึกว่าในแง่ของความเป็นอาหารเนี่ยมันเราเลี้ยงร่างกายได้ไหมเป็นคําตอบที่ตอบยากนะคะเพราะว่าเราจะไปเจอรูสีต่างๆแล้วจะเห็น เ, เรื่องแปลกมากๆว่าท่านอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรคนไม่กินข้าวเป็นเดือนๆไม่กินอะไรเลยเป็นเดือนๆก็อยู่ได้น ม, มีความอัศจรรย์อะไรอยู่ในโลกเนี่ยแต่ว่าเราหรือว่าเราเชื่อฝรัง่งเ่ราเชื่อฝรั่งฝรั่งไม่รู้วัฒนธรรมทางเอเชียไม่รู้พลังจิตตานุภาพขนาดนั้นแต่พอฝรั่งว่าอย่างไงแล้วเราก็มักจะเชื่อฝรัง่งอธิบายแบบฝรัง่ง เราไม่มีประสบการณ์ทางจิตนะฮะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์ทั้งอะไรทั้งหมดคือพัฒนาการทางจิตสูงสุดของมนุษยชาติจะอยู่ที่อินเดียนะฮะรองลงมาก็คือจีนรองลงมาจากนั้นก็คือที่กรีซย้อ ง, งมาจากนั้นก็คือที่อคียิปต์เพราะนั้นมันไม่มีระดับสูงสูงไลย แม้ระดับปรัชญาต่างๆที่นักปราชญ์ทางฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีอะไรต่างๆค้นคว้ากันัางรถสรงรัสเซียอะไรต่างๆแยกต่างนักในกระดนะับปรัชญาเนี่ยว่าแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ยมันก็เป็นความคิดเป็นความคาดหมายออท่านเองก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ไดพิสูจน์ทดสอบดังนั้นท่านอธิบายถึงสภาพจิต ท่านบอกว่าจิตที่สำมยุติราคะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดเมื่นั้นเราจึงพูดกับตนเองว่าเราพูดเดียวทรมาณจิตนั้นท่านกำหนัดในรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกัดคือในลมไม่ตั้งความขัดเคืองหลงในรมไปที่ตั้งความหลงท่านจงออกไปเสียจากฝ่าเถิดเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกปรึกษากับกรัลสกายคือตนเตือนตอน เล่นวิธีการหนึ่งคือจิตโอ้คิดมันก็สายไปมันเอาเนืย้าเยอะไรไม่ค่อได้คือการห้ามจิตจิตมันดิ้นรนกวดแหวงห้ามยากรักษายากมักจะสายแล้วถ้าเราลองสังเกตว่าจิตที่สายเนี่สายไปไหนถ้าถูกปรุงด้วยกิเลสมันก็สายไปในอารมณ์เพียงเพียงสี่ลักษณะเท่านั้นเองสี่ลักษณะให้ให้ลองสังเกตดูว่า หนึ่งก็คือที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดความป้องกาในทางเพศแล้วก็สองคือกระตุ้นให้เกิดโลภะคือกิเลสสายโลภะปุจย์งไงแล้วกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองคือกิเลสประเภทโทสะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความรุ่มหลงโมลเมาเพราะในกรณีเหล่านี้เราจะเห็นว่าไอ้กิเลสประเภทอื่นไม่เกิดไม่รู้โทสะไม่รู้จะโกหกใคร พระนายใหญ่มันเขอยู่ที่ราคะจิตที่สั ม, มยุตยิในราคะไอ้จิตที่สั ม, มยุตยิในโลภะมันก็ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าท่านถือการกินใบไม้มันก็ไม่จะโลบไปไหนพระนายใหญ่เลยมาอยู่ที่ราคะแล้วความเป็นสิ่งเลื่อนขาดแคล น, นจริงๆเนี่ยคือการตาบตอบสนองราคะของท่านพรพอจิตมันเหนียวมันก็เหนียวมันก็ไปก็้ามันเนี่ย ทั้งราคะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะทั้งประมาทตัวกำราบตัวเองเอออยากจะคิดก็จะอยู่ในป่าเสียศักดิ์ศรีเป็นนักบวชไปคิดเรื่องแบบนั้นกำราบตัวเองสอนตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วก็ห้ามจิตห้ามจิตตนด้วยตนเองเพราะว่า การม่ในป่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นการลอกเป็นการมายาเป็นการหาาารลอกลวงนะฮะแต่สแสดงว่าจิตใจของเธอต้องสะอาดอันนี้เป็นเป็นเป็นความคิดที่สำคัญมากนะฮะเพื่แสดงถึงฮีโอตปะสูงส่งมากภายในใจท่านแม้แต่ความคิดก็กำจีบใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าคนเราอย่างที่ ยกตัวอย่างเช่นสีนี่เนี้ยถ้าเราเกิดบกพรอ่องในเรื่องสีขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดวิปปิสารแล้วก็เกิดละอายแก่จใจขึ้นแหนงใจว่าเรามีความไม่บริสุทธิ์ไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ควรจะคิดอย่างนั้นแล้วก็พระมาณตัวเองฝึกคุยตัวเองดัดฉันดานตัวเองก็แล้วแต่ณนะอย่างที่ ท่านรูปบูมพุทธภาษิตมาประพันธ์ไว้เป็นคำกลอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนจะแช่เชื่อเตือนตนให้พ้นผัยเพระวิธีการของบัณฑิตเนี่ยคือจะไม่ไปคิดเตือนคนอื่นแต่มุ่งที่จะเตือนตัวเองเนี่ยเป็นหลัก นะถ้าท้านฟังลองสังเกตรายการตอบปัญหาวันอังคารคือบางครั้งรุนแรงเใช้คํารุนแรงชอบด่าพระปัญหาด่าพระมีทุกท่างคือดุอดร้อนอะไรอะ่ะแต่ละคนก็เป็นไปตามกรรมคนมาสู่โลกนิรกรรมเขาตัวเองอยู่ในโลกนิรกรรมเขาตัวเองจากโลกนี้ไปเดรกรรมเขาตัวเองถ้าต้องผิดต้องรับกรรมไป แล้วถึงถามให้ตอบไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแลว้วไ่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ดังนั้นก็หมายความว่าวุธิภาวะในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะต้องมีเมตตาต่อคนอื่นนั่นคือคุณสมบัตินะแล้วพระสุภูติเนี่ยถึ ง, ถ, งถึงจุดหนึ่งก็จะบอกให้เห็นว่า ที่ถามว่ากิเลสพลากจะอินทรีย์นี่คือจิตท่านอยู่ด้วยโรมิหารพรหมหารเป็นเรือนจิตเป็นหลักของจิตจิตจิตเนี่ยทางจิตพัาดตามปกติแล้วคนเราต้องรับผิดชอบในกรรมตัวเองไม่ต้องไปบุ่นวายอะไรหรอกวันก่อนก็ไปเจอโยมบอกว่าเห็นเนี่ยไม่อยากทำบุญจากบาทเห็นพระบิณนฑนบาตเยอะบรรทุกใส่รถกลับไป บอกวโยมก็เจอพระปลอมแล้วคือขนาดนั้นนม่ีหรอกพระที่บินับาทอย่างนั้นไม่มีเอ้ยในกำหนดเอาไว้ว่ารับได้ไม่เกินสามบาทแล้วก็ที่เกินไปเนี่ยก็เอามาแจกแบ่งใแก่คนอื่นแต่ว่าเวลานี้พระก็ฉันด้วยกัน้วยฉันได้เคียงกันหม้อมันก็ส่วนมากมันก็สงเคราะห์กันอยู่ในที่นะ้คือสมมติว่าจริงนนะ เราก็ลอยเข้าไปคือไม่ต้องไปดา่าพระเมาโหลพระเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะพระเดี๋ยวนี้กับพระรูปนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะพระเดี๋ยวนี้คือหมดทั้งโลกเลยพระรูปนี้คือพระกอพระขอที่เราต้องการจะพูดถึงเพราะไม่ตาจิ้นกากับใน ป, ปัญญาไม่ใช่ว่าแข็งทื่อไปเลยคือต้องกํากับด้วยปัญญา ถ้าม่งันแล้วมันเอียงมันเวีย ง, เ, ยงเป็นอคติแล้วอาจจะเป็นโทสาคติก็ได้นะอาจจะเป็นควรจะเป็นตามปกติแล้วจะเป็นฉันทาคติแล้วแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยอาจจะครบทั้งสี่ก็ได้เรื่องการเตือนเนี่ยท่านท่านบอกว่าเราจะเห็นว่าเตือนที่สถานภาพตัวเองดูที่สถานภาพเองเราเป็นใครการประพฤติถูกต้องเหมาะสมของเราเนี่ยคือควรประพฤติยัยงไง อันนี้พิจารณาตนเรียกตนดูตนให้ออกบอกตนให้ได้ใช้ตนให้เป็นดูตนให้ออกบอกตนให้ได้ใช้ตนให้ทำใช้ตนให้คิดใช้ตนให้พูกใช้ตนให้แสดงรับผดชอบบในกรรมตัวเองนั่นคือวิธีของบัณฑิตแล้วสถานที่เป็นสถานที่ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ คือการจเจริญกรรมาฐานของพระที่เข้าไปอยู่ในป่านะถ้ามีปัญหาเรื่องศีลและอยู่ไม่ได้นะเพราะทานลงนี่ตายเยอะแล้วไม่เป็นข่าวแต่นั่นเองเพราะตายอยู่ในปา่าถูกอมนุกอกนจนจนได้เรื่องจะได้เพราะจะต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ก็ ตามกําลังความสามารถนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนที่จะเข้าป่าเนี่ยต้องชําระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล้ท่านบอกว่าผู้ไม่มีบนทินผู้มีตะบะอย่าประทุษรายผู้บริสุทธิ์เลยจงออกไปเจจะป่าเถิดดูดูตัวเองนะฮะเป็นการสั่งสอนตัวเองตักเตือนตัวเองในข้อหนึ่งเนี่ยท่านท่านบอกว่าคือสอนสอนตัวเอง ว่าท่านจะเป็นผู้ครองเรือนได้สิ่งที่ควรได้เมื่อใดเมื่อนั้นท่านก็อย่ายินดีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเลยจงออกไปจากป่าเถอะเปรียบเหมือนท่อนฟืนเผาศพใช้ทากิจอะไรๆที่ไหนไม่ได้เมื่อนั้นเขาไม่ได้สมมติว่าเป็นไม้ในบ้านหรือว่าไม้ในป่าท่อนฟืนที่เผาศพเนี่ยมันเปื่อนคือบางทีเนี่ยท่านอุ ป, ปมาว่า เพื่อนอุจระด้านหนึ่งเพื่อนอุจระด้านหนึ่งไฟไหม้คือต้องการดูว่าคนชั่วนี่ยเป็นพระชั่วก็คือพระชั่วชาวบ้านชั่วก็คือชาวบ้านชั่วนะี่ยเขาบอกว่ า, เ, าเครื่อหัดเลวก็คือเลวนะฮะเป็นพระเลวก็คือเลวมันไม่ใช่ว่าบาปมีเฉพาะที่เป็นพระทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจเรายังเป็นอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาลาภเทศเออกไปนะ่ มันไม่ควรจะครองเพศเป็นคือหัตเพราะคือหัตเองก็คิดบาปไม่ได้พูดบาปไม่ได้ทำบาปไม่ได้ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเน่ยทำได้ย่นได้บอกไว้ว่าบาปสากลสี่ข้อเนะี่ยที่ท่านเรียกว่ากรรมกิเลสสีเป็นการกระทาหรือการพูดหรือแม้แต่คิด เป็การละทุสร้ายต่อชีวิตระทุศรายต่อตรทรอัพย์ล่วงและเมื่อในทางเพศแล้วก็โกหกหลอกลวงคนอื่นบิเดเบือนข้อมูลขอดสารคนอื่นมันไม่ใช่คำสอนพระนะคำสอนมนุ ษ, ษย์ชาติอย่าไปคิดว่าพระเท่านั้นจะต้องทางฉันไม่ต้องทางฉันเมาเหล้าได้ฉันเล่นการพนันได้ฉันคบชู้ได้อย่างนี้ก็ประตูนรกก็เปิดรอไว้ มันบาป ก, กรรมนอย่าดูหมิ่นอย่าดูหมิ่นแล้วอย่าไปเกณฑ์ให้คนอื่นเขาทำทมความดีคนอื่นต้องทำความดีทุกคนรับผิดชอบในกรรมเพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปทำกรรมนัม้นแนวตัวนี้เราเห็นว่าวิธีคิดของบัณฑิตเนี่ยวิธีคิดเขาบัณฑิตเขาไม่ได้เพ่งโทษตนเลยแต่ว่า แล้วเขไม่เพ่งคนอื่นแต่เขาเพ่งโทษตนเองอย่างที่เคยเล่าไว้ถึงคําพูดของท่านอิกิติดาบทในมงคลสุดสูตรนะคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะคนพาลเขากล่าวอยู่ด้วยดีๆเนี่ยนะครัวบัณฑิตเนี่ย เมื่อเขากล่าวด้วยคำหยาบก็ไม่โกรธนั่นคือจุดต่างเพราะั้นท่านเปรียบท่านเปรียบชีวิตเนี่ยว่าในชีวิตที่มากไปด้วยด้วยอกุศลมิโตคือคิดชั่วคิดไม่ดีอันนี้นเหมือนกับไม้ไม้ผอมศพคือสมัยโบราณเนี่ยไม้เขาใช้แทงศพฮะแทงศพไป็นหลักแล้วก็เป็นเศษไม้ที่ไม่เอาไปทําอะไรแล้ว หลือทนายเขาก็โยนลงไปในเาราเผาศพนี่แหละก็เป็นอุปมาที่มันเกิดเป็นภาพเป็นภาพพดขึ้นมาทีนี้คนเราถ้าชั่วเนี่ยเป็นฤๅษหัดก็ไม่มีคุณภาพเป็นพระก็ไม่มีคุณภาพจะประโยชน์อะไรไม่ได้อะไม่ใช่ว่าพอคนเลวแล้วก็ศึกออกไปจะเป็นคนดีมไม่ใช่ เรื่อคนเลวแล้วก็จับมาบวชแล้วก็จะให้เป็นคนดีอย่างวิธีแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าอะไรล่ะตัดหางปล่อยวัดนะความคิดของสังคมไทยแบบตัดหางปล่อยวัดลูกหลานไม่ดีติดยาเก็บเมล็ดเกเรสลงเข้ามาบวชเรือตัดหางปล่อยวัดหรือแมวแล้วทางบ้านแมวแล้วแล้วก็โยนแม่ลงไปในวัดมันไม่จะแก้ง่ายนะคนต้องมีอัธยาศัย ที่จะมาบวชเนี่ยไม่เอาว่าคนเป็นครื้อหัดยังไม่ได้รักษาศีน้ายังไม่ได้เอามารักษาศีลมันสองรอยเมจะได้และผลท้ายก็ตามเข้ามาด่านะทั้งๆ ท, งที่ตัวเองมา โ, โยนไมาเองตามก็มาดาพระที่เลวไม่ใช่มาจากนอกฟ้าฝ่ายมาพานนะฮะแต่ว่าเป็นลูกหลานของคนไทยนี่แหละและตามปกติพ่อแม่ก็อยู่ใกล้วัดนั่นแหละไม่ใช่อยู่ไกลจากไหนหรอก ทีนี้ท่านก็เตือนตัวเองนะครับคเตือนตัวเองเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าคิดทั้งหมดท่านบอกว่าข้อนี้พึงมีแก่ท่านหรือหนอ น, นี้เตือนตัวเองนะเป็น เ, เรื่องการัตกายคือปรึกษากับกรัตกายใครจะรู้ข้อนี้ของท่านได้ใครจะนําธุระของท่านไปได้โดยเร็วเพราะท่านมากไปด้วยความเกียดคร้านยินดูชนจะรังเกียจท่านท่านก็เหมือนกับชาวเมืองรังเกียจของไม่สะอาดซะนั้น ลูสศิทั้งหลายจะฆ่าท่านมาจากโจทท่านทุกเมื่อดูชนจะประกาศท่านว่าเป็นผู้มีศาสนาทั้งเก้าลวมแล้วหมายความว่าเออเป็นขยะในศาสนานไม่เข้าถึงสาราธรรมศาสนาพระท่านร่วมไม่ได้การอยู่ร่วม ก, กันจะเป็นอยู่ได้อย่างไรเป็นการเตลือนตัวเอง หลักการตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญคือคือเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับวิธีการของพระเนี่ยพระนั้นเวลาต้องอบััฎเนี่ยไปสารภาพความผิดกับเพื่อนภิกษุรูปอื่นแล้วเราต้องเห็นความผิดมันรวบมันผิดแล้วก็ทำคืนตามหลักการที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ทั่งครงสร้างในการแสดงอภิ่ยสมมติว่าพระโกไปฆ่าไปฆ่าสัตว์ตาย จะตบดึงตายแต่ตัวท่านบอกท่านครับผมขอแสดงอัมบัตเพราะว่าทาสัตว์ให้ตายพเพื่อจะถามว่าท่าเห็นว่าเป็นอัมบัตไหมเป็นความผิดไหมท่านก็จะบอกว่าผมเห็นว่าเป็นอัมบัตแล้วก็เป็นความผิดเพือจะบอกว่าไม่เป็นไรครับท่านใจสํารวมระวังต่อไปกันแล้กันท่านก็บอกว่าครับครับครับครับนะผมจะตั้งใจสํารวมระวังต่อไป อริบอก ว, ว่าสาธุสุตุปันเตสังวริสามิสาธุสุตุปันเตสังวริสามิสาธุสุตุปันเตสังวริษสามิก็สา ม, สามครั้งคือหมายความว่ามันไม่ไปฉีดเส้นว่าคุณต้องอย่างนี้ท่า น, นั้นอย่างนี้ไม่ได้คือกาปรปฏิบัติเหมือนกับปีนป่ายหน้าผาเนี่ยมันพลั้งพลาดบนรหลม้ลมหกลบยังนึกถึง ท, ท่านชายคริสตันเคยอุ ป, ปมาเพราะท่านเคยบวชนะ เขาบอกว่าคนที่บวชเนี่ยเหมือนกับการโหนโหนโหนโหนอะไรบาเบนอะไรพี่ๆโหนสองมือเนี่ยเขาเรียกอะไรอะบานะบ้าเดียวบาเบนอะไเนี่ยถ้าใครแข็งแรงมากมันก็โหน ไ, ได้ไน่ะแรงน้อยก็ตกมันไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ความผิดอะไรก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยโหนอย่างน้อยก็เคยพิสูจน์ทดสอบตัวเองนะว่าเออ ทีนายตรงเนี้ยเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เยวเวนี้เวลาพระใหม่ท่านบวชแล้วท่านก็มาลาสิกขานีลาไปจะสึกเกิดมาก็บวชสิบบวชสิบห้าวันแล้วมาลาถ้าเธอมาไม่มากเท่าไหร่ก็นั่งคุยกันหน่อยบอกขอต่อสิบห้าวันได้ไหมสมมติว่าทางบริษัทเขาอนุญาตเนี่ยขอต่อสิห้าวันได้ไหมบางองค์บอกว่าได้บางองค์ไม่ไม่ไหวแล้ว แบกไม่ไหวหรือปฏิบัติไม่ไหวแล้วเพราะวันเป็นการทลูลกระแสทีนี้ต่อไปท่านก็เตือนนะฮะท่านก็เตือนบอกว่าช้างตัวมีกำลังเข้าไปหาช้างกุนชอนตัวตกมันสามครั้งซึ่งเกิดในสกุลช้างมาตังค่ามีอยุหสิปีด้วยกำลังแล้วถูกนำออกจากโขงมันถู ก, กับออกจากโขงแล้วย่อมไม่ได้ความสุขสมานเป็นสัตว์มีทุกโสขโศกเศร้า ซบเ้าวันไหวอยู่ชั้นใดาดินทั้งหลายจะขับไล่คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรก็ตามคือเคยสังเกตคนที่ต้องบะบรลชิพอย่ น, นแล้วก็ในสุด ก, ออกไปแล้วส่วนมากจะมีลักษณะซึมเศร้าหรือเศร้าหมองมันสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง ปัะหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่ภายในใจของคนนะฮะือคนเรายิ่งสำนึกบาปมากแม้แต่บาปเล็กน้อยเนี่ยเราก็ละอายละอายในการที่จะคิดจะออทำเนี่ยมันคงยากอะนะะแต่แม้แต่คิดเนี่ยจะทำยังไงว่าอย่ า, ไ, าไปคิดเพราะว่าคนที่ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านท่านเรียกในทีนี้ว่าผู้มีปัญญาสาม มิถเพื่อนถูกเพื่อนนักบวชนี่ขับออกเหมือนกับอะไรก็ได้นะข้าราชการพนัก ง, งานอะไรแต่ไหนที่มันเป็นแกะดำอยู่ในฝูงนี่นถูกขับออกไปก็จะหาความสุขความทํ า, านไม่ได้เพรการดูร่วมกันภายในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆมันก็จะเกิดเป็นความสุขความสนุก ในโบราณท่านใช้คำแต่ว่าที่จริงเราอาจจะมามองแรงไปท่านเรียกว่าเป็นมาหัวเน่าแต่เรามาเรียกว่าสุนัขหัวเน่าแต่โบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามาหัวเน่านะเราเรียกสุนัขคือมันมีปัญหาในตัวมันเองมันมีปัญหาในตัวมันเองที่จริ ง, งมันมาจากพระเจ้าเสด็จไปกับพระอานุ์แล้วก็เจอสุนัขตัวหนึ่งมันเป็นที่เลื่อนนะ่ะ แล้วแกนอนที่ไหนหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งไปนอนตี่อื่นแล้วลุกขึ้นวิ่งไปนอนตี่อื่นลุกขึ้นวิ่ ง, งไปนอนตี่อื่นพระเจ้าละสั่งว่าดูดู ด, ดูดูสิอาหนุนสุนัขตัวเนี้แกมีปัญหาในตัวแกเองแต่แกคิดว่าที่ที่แกนอนเนี่ยมันมีปัญหาเพราะงั้นแกก็ต้องเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่ตรวจสอบตัวเอง อยวจะเพง่งโทษคนอื่นเจ้านายไม่ดีอย่างนั้นเป็นพระบกคสมพานไม่ดีอย่างนั้นอาจารย์ไม่ดีอย่างนั้นนเวลาเรียนหนังสืออะไรแต่ไหอาจารย์สอนไม่ดีผมไม่เข้าใจว่าอาจารย์สอนไม่ดีบางทีรู้สิกยก็ประโยชน์ให้อาจารย์ว่าลูกศิษย์งู no, ้งไม่เข้าใจคือไม่มีการตรวจสอบตัวเองวันนี้ท่านสาสารณทบลแจ่มนั่งแต่งไว้ในอุทานธรรม ในการตำหนิคนระดับครูบาอาจารย์ที่ไม่วิเคราะห์ตัวเองไม่ตรวจสอบตัวเองว่าพูดไปเขาไม่รู้กับครู่เขาว่าโง่เง่า ง, างมเงอะเสร์นักหนาตัวของตัวทําไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจเพราะปัญหาบางอย่างเนีคือทันที่จะโยนให้คนอื่นมันก็มองมาที่ตัวเองแต่เราไม่หายยากนะ คือตอนเขารณรงค์เรื่องเลือกร่างกันคือไม่ไมไ ม, ไม่ค่อยอยากฟังทางวิทยุไม่อยากดูทางโทรทัศน์ไม่อ่านในพิพิมพ์นะรู้สึกว่ถูเพราะคนเหล่านี้ที่จริงคือเสนาบดีนะอัครมาหาเสนาบดีมาก่อนพูดมึงไม่เถอแดงในวุฒิภาวะะไรมีความรับผิดชอบอะไรเลย เขาจะ่ออย่างยิ่งคือพื้นฐานทางศิลธรรมมับกพร่องมากบกพร่องในด้านพื้นฐานทางศิลธรรมมากคื อ, อยังนึกถึงท่นานอดีตนายกเปรงตอนท่านเป็นทัานที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไทยเนี่ยควรจะพอต้านพุกคอรัพท่น่น อย่าไปให้การยอมรับนับถืออย่าไปไหว้อย่าไปแสดงความเคารพแต่ก็ขอร้องมานานเลยนะแต่แตนู้นสามสิบกว่ากาแต่ว่าทุกวันก็ยังแก้ไม่ได้รู้สึกสมัยนั้นเป็นสมัยเพียงสัตว์นะและการตรวจสอบตัวเองเนี่เป็นเรื่องใหญ่วิธีของบัณบิตเนี่ยเขาไม่ยุ่งะอะกับคนอื่นแต่เขาจะตรวจสอบที่ตัวเอง ถ้าตรวจสอบคนอื่นนอุปชายยะนี่แปลว่าผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่คือตรวจสอบโทษน้อยใหญ่แล้วว่าทาด้วยจิตคิดอ น, นุเคราะห์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยตรวจสอบความรู้สึกของลกูกไม่ได้ทดําโดยโทสะจะทําโดยเมตตากรุณาเัราะทำอย่างไงว่าถ้าเราต้องการตรวจสอบคนอื่นนี่ดูจิตซะก่อนเราเมตตาเขาไหมกรุณาเขาไหมหรือว่าต้องการจะ สะใจคือได้ด่าในสายสะใจโยมบางคนก็พูดว่าพระทำผิดผมมีสิทธิ์ที่จะดา่าเราก็ใช่โยมมีสิทธิ์ที่ดา่าแต่โยมก็มีสิทธิ์จะตกนรกเพราะเป็นวจีทุจริตวจีทุจริตเป็นเหตุแห่งนรกนะทั้งทั้งอย่าลืมว่าเจ็ดข้อแรกเนี่ยเป็นเหตุแห่งนรกที่จริงทั้เจ็ไม่ใช่ทั้งเจ็ดสิบข้อผนะู้ ก, กุศลกรรมบุผู้อกุศลกรรมบุทั้งสิ ที่บรรยายไว้ในวิธีแห่งความเป็นมนุษย์ในซีดีที่พลเอกเสรีสนับสนุนให้ทําขึ้นนั่นแหละคือตัวเงินค่ามขาศัตว์รักษารกึมติดตันในกาลทั้งหมดเป็นวิธีทางแห่งอรมณ์ทั้งนั้นวันการตรวจสอบตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองปรัปรุงตัวเองเป็นวิธีของบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ทักฟงังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวัะทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ ง, งามไพบูรย์ในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี